ขอความเจริญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปู่วติยานกำลังนำเสนอตอนต้นของธรรมจักรวัตนสูตรที่ผู้เจ้ารับสั่งแสดงว่าดูก่อนพิกษุนทั้งหลายพิสุดสองอย่างอันบันปชิตไม่ควรเสพคือการประกอบตนในพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามทั้งหลาย โดยทรงประทานเหตุผลเฉพาะในที่นี้ไว้สี่ประเด็นประเด็นแรกก็คือฮีโนเป็นของเลวหรือเป็นของต่ำกโมเป็นเหตุเป็นเรื่องของชาวบ้านหรือเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนมีครอบครัวปรุจนิโกเป็นเรื่องของปุถุชนที่มีกิเลสนาอนาเดียไม่เป็นของพระญาหรือไม่สามารถทาบุคคลให้เป็นพระญาตได้ และนาทสัน n ิโตคือไม่เป็นประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ที่นี้ประโยชน์ในที่นี้จะต้องมองกลับไปอีกทีหนึ่งแนะว่าการเสด็จออกขนลวดของพระพุทธเจ้าก็ดีการเสด็จออกบวชโดยเสด็จของท่านบัเจวคีก็ดีนั่นมุ่งประโยชน์สูงสุดคือการหลุดพ้นจากสังสารทุกข์ ทีนี้การหลุดพ้นจากสังสารทุกนั้นถ้ายังมีการเสพกรารอยู่มันก็เป็นไปได้แค่ระบะระดับกา ม, มาวาจรภูมเท่านั้นเอง็ยังมากที่สุดก็เกิดเป็นเทวดาพอถึงระดับรูปาวาจรภูมิแล้วก็ไม่มีการเสพกรารแล้วแต่ยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเพียงแต่ว่าสวยสุขในพรหมโลกนานหน่อยพอถึงอรูปาวาจรภูมิก็อีกหละ คือไม่มีการเสียบกามแต่ว่ายังต้องหมุนวนอยู่ในช่งสารวัตรเพราะกิเลสเหล่านี้ไม่หมดกิเลสมันถูกสยบไวเ้เฉยเพื่อการได้หลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงจริงๆแล้วเข้าถึงเป้าประสงค์จริงๆต้องเป็นปรมัาภิโยชน์คือประโยชน์อย่างสูงสุดก็ได้แก่มรรคผลนิพพาน คือไม่ใช่ปฏิเสธประโยชน์ระดับล่างนะครับเพราะว่าเราจะต้องมองข้อความในตรงอื่นด้วยเพราข้อความในช่วงที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกถับประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยที่จริงมันเน้นไปที่การครองเรือนครองสุขเป็นหลักการในการครองตนครองคนครองงานครองเรือนครองสุขโดยเฉพาะตัวหลักจริงๆก็คือครองตนครองคนครองงานก็ในการครองเรือนมันก็มีคนกับงาน ไอ้สุขมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกลมกลมกลมกลองานก็เรียกว่าเป็นการมาสุขมันก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันแล้วพวกนี้ก็เป็นคุณภาพทางจิตปัญญาณก็นำคนไปสู่สุขติมันก็เป็นสุขในสวรรค์ก็มีการมาุนมีวัตถุกรรมปรนปลื้มบารุงบํรเรออย่างประณีตผนคำว่าสวรรค์เปลียนว่ารูป เสียงกลิ่นรถผลพระธรรมารมณนเยมันเลิศคือเหนือกว่าที่มีอยู่ในโลกมนุษย์เป็นทิพยาภาะแต่ว่ายังประสบความทุกข์ในสังสารวัฏพอจนถึงประโยชน์สูงสุดจริงๆได้แก่การบรรลุมรรคผล แต่าการจะพ้นจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นพระอระหันต์เท่านั้นคือถ้าระดับอื่นก็ไม่พ้นแต่ระดับพระนาคามีเนี่ยพ้นจากกามเพราะท่านละ ก, กามราคะสังโยชน์ได้แต่ท่านก็ยังไม่พ้นจากภพเพราะยังดับอวิชชาไม่ได้ในข้อต่อไปก็ส่งแสดงถึงความเชื่ออีกระแสหนึง่ง คือแนวการมาสุคัาริการนโยกนั้นเป็นความเชื่อแนววัตถุนิยมส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่ชีวิตเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวมันเป็นจะเน้นความสุขทางเนื้อหนังนี่มากเพราะถือว่ามันไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกอะไรพวล่นี้ก็คิดง่ายๆนะคิดห ย, ยาบๆง่ายๆตัดสินใจแบบไม่ได้ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้อะไรก็รรนึกดอง ซึ่งมันขัดแย้งกับความรู้ระดับยานที่พระพุทธเจ้าผู้รู้เห็นเป็นพระหันนั้นได้ทรงแสดงเอาไว้บริษับใดที่ยังมีกิเลสยังมีกรรมเนี่ยการมุนวอนในสังสารวัฏมันก็มีอยู่ตลอดไปเพราะว่าตุนิยมมันก็มีอยู่ทุกยุถทุกสมัยยังแนวความคิดของคอมมอนิสต์เนี่ยที่จริงก็คือแนววัตุนิยม คนนี้จะไม่คำนึงถึงบาป บ, บุญขุนโทษแต่อาจจะคำนึงถึงกิตติวิยาหมุนชนเพราะยังไงยังไงเขาก็ต้องการหมุนชนไว้เป็นพวกเป็นเครื่องมือในการสร้างและรักษาความยิ่งใหญ่ของเขาทีนี้อีส่วนหนึ่งเนี่ยจงเรียกว่าอัตติลรามาฐานุโยก เป็นการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนคือสร้างความเดือดร้อนในแก่ตนเองวันนี้เกิดขึ้นมาจากแนวความคิดจิตนิยมที่สุดขั้วคือถือว่าชีวิตเป็นของเที่ยมันก็เป็นพัฒนาการความคิดผ่านยุคผ่านสมัยไม่เยอะก็เป็นความเชื่อที่มาจากพรามคือถือว่ามาถึงยุคหนึ่งเนี่ย ก็ถือว่าสากลรพิภพเนี่ยมันมีสิ่งสองสิ่งจึงหนึ่งเป็นรูปธรรมสิ่งหนึ่งเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้นเรียกว่าปรมาตามันบางมาตามบางอะตมบ้างไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกด้วยภาษาสันสกฤตหรือภาษาบาลีด้วยนะแต่หมายความว่าสิ่งนั้นมีความเป็นนามธรรมถ้าพูดง่ายๆเข้าใจง่ายคือจิตรวมกันอยู่เป็นกลุ่มของจิตคล้ายๆกับอะไรล่ะ ถ้าเทียบแล้วเหมือนกระแข็ปลาที่บู๋กันเป็นกระจุกเยอะแยะไปหมดเลยเนีก็เสร็จแล้วก็แยกตัวเองเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวพวกนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันโคจรไปเจอกระสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งเขาเรียกว่าประ k r i ประก r ต t พวกง่ายๆว่าเป็นองค์ประกอบร่วมของดินน้ำลมไฟอากาศแต่เทียบดูที่ตัวเรานะฮะ ดูดูที่ตัวเราดำโครงสร้างความเชื่อของเขาเองไอ้พวกประกิตก็คือร่างกายนะที่มีส่วนประกอบหลักเป็นดินน้ำลมไฟอากาศแล้วส่วนของปรมาตะมันพรมมันมหาตะมันหรืออันตมันเนี่ยมันก็คือจิตแต่ว่าชีวิตเราเนี่ยมันมันเป็นหน่วยย่อยที่แยกมาจากหน่วยใหญ่แล้วและทีนี้เขาก็ต้องการจะทำตวในอิสระ จากกรงขังคือร่างกายนึกว่ามันจะสนุกเมื่อก่อนเนี่ยเห็นว่าพอเกิดแล้วมันเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องการที่จะอยู่แต่เรต้องการจะกลับไปอยู่ในที่เดิมซึ่งเราจะเห็นว่าในแง่ของธรรมะแล้วมันยังมีภาวะตัณหานะฮะแล้วก็มีภาวะทิฏฐิหรือความเห็นถึงสิ่งมีหรือความมีนี่เป็นเทียนแท้ถาวรยังอยู่อยู่ นนี้ก็มีหลักการในการปฏิบัติทรมานร่างกายด้วยประการต่างๆอย่างที่เราเรียนในพุทธวัติตอนพ ร, ระพุทธพระโพธิสัตว์ของเราทรมานพู้กระการ น, นั้นก็พูดแค่สาวาระคือหนึ่งเอาฝันกับฝันมากดกันแล้วลิ้นประดันเพดนานก็ทำให้เกิดอาการทุกข์ทรมานเจ็บปวดไปทั่วสรพังกายเลยก็ต้องเดิน เวลาที่สองก็ผ่อนกั้นลมหายใจเข้าบอกคืออั้นลมหายใจไว้สุดๆแล้วก็ค่อยผ่อนหายใจเข้าแรงใจออกจนทาให้เปิดปวดเสียงเสียบูธร้อนไปในผวรกรายจนมีเสียงบางอู้ออกมาจากซองประกันทั้งสองก็เห็นว่ามันที่สุดแล้วก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นการผ่อน การอดอาหารหรือลดอาหารไปโดยลำดับจนถึงไม่รับประทานเลยร่างกายก็ยผ่ายผอมซุบซิบปรฏิปรากฏทั่วพระวรากายพระโลมามีรากเน่าพระรูปที่สวนใดส่วนหนึ่งของร่างกายขนก็ร่วมลงมาจะทรงองค์ไว้ก็ไม่อยู่สเสด็จไปไหนก็ส่วนลง และจึงล้มจริงๆดังที่เคยเล่าไว้ว่าล้มจนสลบไปนี่ก็ถือว่าเป็นการทรมานร่างกายแต่ถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยมันเป็นแบบประยุกต์คือหมายความว่าพระองค์เคยทรมานร่างกายด้วยวิธีอื่นมาเยอะแล้วแต่เสร็จแล้วก็เอาพวกนี้มาปฏิปตะ ก, กันมาประยุกต์สร้างเป็นทฤษฎีใหม่สามวิธีด้วยกันแต่ถ้าเราศึกษาที่รับสั่งเล่าแก่พระสารีบุตร ในมหาศียนาทะสูตรเนี่ยแน่นอนมันไม่เกิดประโยชน์แต่ก็ทาให้เหตุว่าบางอย่างเนี่ยถ้ามันปรับระดับลงมาเนี่ยมันเป็นการฝึกสติได้ได้ฝึกความอดทนได้ฝึกต่อสู้กับความอยากได้เป็นต้นมันก็แนวพอปรับลงมาเนี่ยบางจุดนะบางจุดนี่มันก็คล้ายๆแนวทุดลง ตัวโดงนั้นเป็นวัดปฏิบัติที่ค่อนข้างไปทางทรมานร่างกายดัดสันดาลตัวเองแต่ว่าแนวอัตติกิรมถานนโยนั้นมันจะแรงสร้างความทุกข์ทรมานปางตายหรือเกือบตายอย่างที่บอกท่านผูกฝังเอาไว้ว่าเมื่อถึงตรงนี้จะนำมาเล่าให้ฟัง เหตุผลที่ทรงให้ในคราวนั้นเนี่ยให้กับท่านปัญญาขีรนี่ให้ไว้สามสามเหตุคือหนึ่ทุกโขมันเกิดความยากลําบากแล้วก็อนารโยคืคอไม่เป็นการกระทําอันประเสริฐไม่ใช่เป็นธรรมของภริยัไม่สามารถจะทําคนให้เป็นปริยัได้อนาตตาชนิโตคือไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นการทรมานร่างกายให้สูญเสียเวลาไปเปล่าๆโดยปราศจากประโยชน์ เตะถามว่าทำยังไงคือยังเข้าใจว่าวัดปฏิบัติเนี่ยมันจะเยอะมากว่าถ้าเราไปดูรูปแบบที่าศาสนาเชนก็ทำกันหรือาศาสนาฮินดูก็ทำกันและเวลานี้ก็ยังมีอยู่นะในประเทศอินเดียก็คงจะเยอะมากเอาเฉพาะที่พระเจ้ารับสั่งเล่าไว้เนี่ย เราไว้ในมหาศีลนาฏสูตรมันก็ทุกทรมานมากดูแล้ ว, แลวว่าบางเรื่องในไม่น่าจะรอดแต่พระพุทธเจ้าก็คงเคยผ่านมาเป็นการรับสั่งเล่าแก่พระสารีบุตรคือเรื่องมันยาวนะฮะแต่ว่าเรา เ, าเอาตัดตอนมาจะพอตอนนี้ปเดี๋ยวจะเป็นพูดเรื่องมหาเศีลนาฏสูตรไปก็รับสั่งเล่า ว, ว่า สาริบุตรเราย่อมเข้าใจประพฤติปรมจันทร์ประกอบด้วยองค์สี่คือการปฏิบัติของนักบวชนอาศาสนาในเขาเรียกว่าปรมจันทร์เหมือนกันแล้วก็ถือว่าการกระทำของเขาเป็นการเป็นความประพฤติที่ประเสริฐเหมือนกันปรมจันทร์จะเป็นคาเก่านะฮะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมามันก็มีคำนี้แล้วแต่ว่านิยามความหมายนีคนละอยา่าง กรอบมาต่างกันบ้างอย่างก็คล้ายๆกันนะรับสั่งว่าเราเป็นผู้บำเพ็ญตบะและเป็นเยี่ยมกว่าผู้บำเพ็ญตบะทั้งหลายหมายความว่าในการมาเป็นตบะคือคนสมัยนั้นถือว่าการภรมาร่างกายในเป็นตบะเราจึงพบวันคดีของอินเดียเป็นนั้นมากที่ว่าฤาษีบางทีบำเพ็ญตบะ จนมีตะบะเดชะฟ้าฝนไม่ตกต้องตามรูป ก, การต้องเดือดร้อนถึงเทวดาถึงพราชาอะไรกันวราแน่ตะบะเหล่านี้ยเป็นแนวที่เขาเชื่อกันนาะนยุคสมัยตรงนั้นว่าเึงการปฏิบัติที่ศักดิก์สิทธิ์ที่พระยาทรงปฏิวัติ ความเชื่อของคนเหล่านี้โดยเน้นไปที่ขันติว่าเป็นตบะอย่างยอดจริงแต่ว่าตบะก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นเน้นทางแนวของการมาสุขาริการนโยและอันตงกิลามะธานิโยเจนแนวัตถุนิยมจัดก็ถือว่าใครสามารถปลนปลือหาความสุขต่างการมกุลได้มากที่สุดก็ชื่อว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการมาเป็นบตบะเป็นความคิดที่ค่อนข้างแปลก หรือทำนองคล้ายๆกับว่าคนมันอยากจะกินอะไรมันกิ น, ก, น, ก, น, ก, นกินกินกินกินไปแต่ในสุดสุดถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดเบื่อหน่ายแล้วก็สลละทิ้งตัวเองแนวทรมานร่างกายก็คือทรมานจนให้สุดๆแด้วใหจิตมันเป็นอิสระจากกรงขังคือร่างกายร่างกายก็ทิ้งไว้ในโลกแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นธบรมปู่เจ้าจมาปฏิวัติในพริกลับเลย ว่าขันตีบรมังตโปติติขาความอดกลันก้นคือความอดทนเนี่ยเป็นตะบะอย่างอยอดจริงแต่การมาเป็นตะบะของพระพุทธเจ้าตา่ำของพระโพธิสัตว์นะไม่ใชระพุทธเจ้าก็ในยุคสมัยตอนนั้นเป็นวิธีการที่มันก็ถูกต้องเหมาะสมแก่สถานการณ์เพราะการที่เราจะปฏิเสธอะไรใครสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบเสียก่อน มีคนเป็นนันมากที่ปฏิเสธโดยไม่รู้ว่าตนเองปฏิเสธอะไรก็ปฏิเสธไปแล้วเฮ้ยในรกสวรรค์ไม่มีจริงอภิสังเทวดาไม่มีจริงชาติหน้าไม่มีจริงแล้วไม่รู้ว่าพอให้อธิบายาชาติหน้าคืออะไรนลกสวรรค์คืออะไรสังสารวัฏคืออะไรก็อธิบายไม่ได้นี่คือเป็นการปฏิเสธหรือยืนยันโดย ตัวเองไม่ได้ศึกษาคล้ายๆกับ น, นักวิชาการสมัยนี้นะครคล้ายๆกับฝรั่งเนี่ยเป็นเทพกายสิทธิ์ที่ถ้าพูดอะไรมาแล้วถูกหมดแล้วอะไรก็ตามที่ไม่ตรงกับฝรั่งเนี่ยก็ถือว่าผิดหมดยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่า ย, ยาสมุนไพรคือหมอแพทย์แผนปัจจิบันพิสุจน์ปฏิเสธโดยไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ โดยเราลืมคิดไปว่าโลกเนี่ยมันมาไม่ร็วกี่ล้านปีแล้วยาแบบพาังเนี่ยมาไม่กี่ปีนี่เองเนะก็ประมาณสักร้ 100, 100อยร้อยกว่าปีก็คิดว่าเอาสองร้อยนะให้สักสองร้อยปีแต่โลกมันไม่ได้มาเท่านั้นเนี่ยแล้วคนรุ่นก่อนรุ่นปู่ย่าตาทวดเราเนี่ยท่านอยู่กันมาได้ยังไงท่านเจ็บไข้ไม่สบายทําไมพระเจ้าเองก็มีคนป่วยมีคนเจ็บหมอสิวโกมาละพัดก็รักษาให้ หลวพระเถระบางรูปที่อายุตันยืนยืนร้อยสบปีร้อยหกสปีเนี่ยแต่ทำไมท่านอยู่ได้ล่ะก็เวลาเจ็บไายเป็นสบายท่านก็ฉันยาสมุนไพรนี่แหละไม่ได้ฉันยาพารังคือถ้าเราเราเริ่มคิดแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปยอมสยบคือไม่ใช่ปฏิเสธหรือไม่ใช่ไปยืนยันดันที และต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบนั่นคือหลักการสำคัญ ข, ของปุตติจาพุทธ ท, ที่ดีนั้นจะไม่ยืนยันอะไรหรือปฏิเสธอะไรโดยขาดการไข้ครวญพิิพจารณาตรวจสอบทดลองชี้เคียงด้วยหลักการและวิธีการที่ใช้ไปเพื่อการพิสูจน์ทดสอบสิ่งเหล่านั้นเพราะหลักตรงนี้ทรงวางเป็นภาพกว้างๆเอาไว้ที่เราจะใช้ทุกกรณีนะ ว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วตําหนิคนที่ควรตําหนิเมื่อเขามีการกระทําที่ควรตําหนิพรอเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อเมื่อเขามีการกระทําที่ควรเชื่อนับถือคนที่ควรนับถือเมื่อเขามีวาความพฤติกวรนับถือตคือโครงสร้างเดียวนี่มันจะใช้ได้ทุกอย่าง ตอนนั้นเขายกตัวอย่างเรื่องการยกย่องการตำหนิการนับถือสามประเด็นแต่ว่าทุกสิ่งที่เป็นสื่อซึ่งผ่านมาทางภาษาสัมผัสนั้นจะต้องผ่านการใช้ปัญญาพิจารณาไตรซอมตรวจสอบเชียวเขียงแล้วก็จึงตัดสินยอมรับหรือไม่ยอมรับเชื่อหรือไม่เชื่อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่จะแนวปฏิเสธเลยทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ผ่านการบาเพ็ญรกรกรามาก่อน การมาสุขานิการนโย น, นแน่นอนเพราะมีสัมผัสตรงก็ยังน้อยที่สุดเนี่ยตั้งแต่ประชนภรรษาสิบหกถึงยี่สิบเก้าเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางสาวสารกำ น, นันไหนพวกกรรมคุณปนปลือมบำรุงบำเรอกันโดยวิธีการต่า ง, างๆเพราะงั้นก็ทรงรู้เห็นทั้งความจริงแม้แตข่ขนาดมีพระโอรสองเดียวเนี่ยก็ทรงรู้สึกแล้วว่ามันมีปัญหา เรา낭ชาเราลังชาตังบรรทังชาตันบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้วแกเราเละยังทรัพย์อีกเลยยังมเหสีอีกเลยยังพระราชาวงศ์อีกโหมากมายแก่กองเป็นม่วงทั้งนั้นเลยเพราะว่าต้องพิสูจน์ทดสอบเมื่อพระองค์ปฏิเสธหลักการของการบ ร, ริการลการนโยโปรบวงได้ทดสอบมาแล้ว ทีนี้ถ้าตะกินรางัลถานุโยกไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ทดสอบไปปฏิเสธเขาก็รู้สึกยังไงอยู่เหมือนกันนะแล้วเราก็ไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็ทําให้ได้หลักว่าทั้งสองอย่างเนี่ยคือหลักจิตตนิยมกับวัตถุนิยมที่สุดครัวเมื่อซ้ายจัดก็ไม่ได้ขวาจัดก็ไม่ได้มันต้องอยู่ตรงกลางมันไม่มีทางไปแล้วอ่ะมันมีทางซ้ายกับทางขวาต่างเองแล้วมันตกขอบหมดแล้วทั้งคู่ มันก็ต้องปรับเข้ามาอยู่ตรงกลางก็กลายเป็นหลักการที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเพราะการเข้าไปศึกษาตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้ของพระโพธิศัตว์ก่อนที่จะจัดสรูเนี่ยจึงเป็นความถูกต้องเหมาะสมแก่กรณีพอเมื่อจะแสดงทำคัดค้านถึงตบะกรรมเหล่กนั้นในโอกาสต่อมาเนี่ยใครก็ไม่อาจาตำหนิบรุงได้ พระที่ทรงปฏิเสธนั้นปฏิเสธด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิเสธด้วยข่าวลือตอลองสังเกตความคิดทางวิชาการในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาเนี่ยมันจะพูดปฏิเสธแบบพอได้ยินข่าวข่าวก็ปฏิเสธเลยแต่กับฝรั่งไม่ปฏิเสธนะมิทานฝรั่งเล่าสัตว์พูดได้ในเชื่อเป็นตูเป็นตาเอามาเล่าตอ่อ เรื่องคนแคระเรื่องอะไรแต่ออไรเรื่องน้ำพงน้ำฟ้าอะไรแต่ออไรกันหลัตลอดทุกสาตร์ต่างๆแต่ครอสเนี่ยเล่าได้ทั้งหมดเชื่อทั้งหมดเลยแต่ว่ากับเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องโอเอเซียเนี่ยจะไม่เคยเชื่อแล้วถามว่าเคยพิสูจน์ทดสอบเปลเปล่าก็ไม่ได้พิสูจน์ทดสอบอะไรไม่ใช่วิธีปลาดเนี่ย พรเจ้าจะเป็นแบบให้เราเห็นว่านักปราชญ์นั้นเขาจะไม่ปฏิเสธหรือไม่รับรองอะไรก็ต า, ามที่เขายังไม่ได้พิสูจน์ทดสอบตามคัมวิธีที่ใช้เพื่อการพิสูจน์ทดสอบสิ่งนั้นวัตทุกรกิริยาที่เขาใช้ในสมัยนั้นเนี่ยก็คือเป็นกา ร, รบาเพ็ญตบะแล้วในกา ร, รบำเพ็ญตบะนั้นก็ถือว่าเยี่ยมกว่าผู้บะเพ็ญตบะทั้งหลาย และประพฤติทำตัวเศร้าหมองก็ถือว่าทำจนเยี่ยมกว่าผู้ประพฤติเศร้าหมองทั้งหลายแล้วก็เกลียดบาปทำจนรู้สึกว่าเกลียดบาปเหนือคนในเดือดทั้งหมดแล้วก็เป็นผู้สงัดสงัดอยู่ในที่เงียบๆนะอยู่ในป่าเงียบๆนี่ยหลีกเร้นหนีจากผู้คนก็ถือว่าทรงธทำได้สูงสุดสี่สี่กรณีนะสี่กรณีแล้วก็ จะมีรายละเอียดซึ่งก็ที่จริงก็น่าศึกษานะมันเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติแล้วก็มันต้องให้คุณอะไรบ้างไงนะสมากคนบางพวกเพราะว่าก็สืบต่อกันมาได้จนถึงปัจจุบันแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเพราะประโยชน์ของพระพุทธเจ้านี่พูดถึงปรมัตถประโยชน์แต่ว่าสมากคนผู้หนึ่งซึ่งเขาไม่ต้องการระดับนั้นเนี่ยเขาคงได้ผลอะไรอยู่บ้าง แต่ไม่ได้ผลอะไรเลยเนี่ยคงคงไม่มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันและเราก็ยังพบเห็นนักบวชที่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะเช่นนั้นอยู่แม้ในเวลานี้ต้องฟังทั้งหลายใต้รมประโพติยานในวันนี้ขอยุติไว้ต่วเวลาเป็นเทนจที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีมด้ทานผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี